เดือนที่สฐานที่มั่นของอุปาทานแม้ว่าครึ่งหลังของเดือนที่สามฉันจะออกอาการเดินกระโปรกกระเพลกบนเส้นทางสู่มรรคผลหน่อยแต่อย่างน้อยการปลีกวิเวกบำเพ็ญเพียรในช่วงต้นเดือนก็ทำให้เห็นซึ้งลงไปถึงระดับสภาวะธรรมเกิดดับชัดเจนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรู ป, ปรธรรมหรือนามรธรรมเมื่อเห็นความเกิดดับของกายเวทนาและสภาวะจิตแจ่มชัดแล้ว พอมาศึกษาหรืออ่านพระสูตรเกี่ยวข้องกับเรื่องของขันห้าจะรู้สึกว่าเข้าอกเข้าใจดียิ่งที่ผ่านมาฉันฝึกมาตามลำดับสติปัฏฐานสยังไม่ได้ออกนอกขอบเขตของกายใจนี้เลยและเช่นกันขันหก็คือกายใจนี้แหละฝึกมาหลายเดือนจนรู้ชัดว่าสติปัฏฐานสไม่มีเรื่องนอกตัวแต่อาจมีการมองต่างมุม เพื่อให้เข้าถึงสภาพแท้จริงของกายใจตามลำดับที่เหมาะสมกับคุณภาพสติยอมรับอย่างหนึ่งคือคำว่าขันห้าผ่านตาฉันอยู่เป็นปีกว่าจะเข้าใจในภาคทฤษฎีอย่างลึกซึง้งต้องฟังหลายคนอธิบายต้องอ่านทั้งความรู้ชั้นเก่าและชั้นใหม่จากหลายแหล่งกว่าจะปรับความเห็นได้ถูกตรงทั้งนี้เนื่องจากเรื่องของขันห้าโดยตัวเองมีความพิสดารพูดให้ง่ายก็ง่ายพูดให้ยากก็ยาก พูดให้ลุ่มลึกที่สุดก็ลุ่มลึกที่สุดในบรรดาทฤษฎีธรรมะทั้งหลายและในทางปฏิบัตินั้นหากขาดคุณภาพสติที่ดีพอจะไม่มีวันเห็นกายใจโดยความเป็นขันห้าเกิดดับได้เลยถึงแม้มีความเข้าใจภาคทฤษฎีเลอเลิศเพียงใดก็ตามแต่ก็มีเครื่องล่อใจอย่างหนึ่งคือหากเข้าใจขันห้าได้แตกและสามารถเห็นกายใจโดยความเป็นขันห้าได้เมื่อไหร่ เมื่อนั้นก็เฉียดฉิวเลือกเกินต่อการบรรลุธรรมขั้นต้นเพราะฉะนั้นฉันจึงไม่คิดว่าเป็นเรื่องหน้าหันหลังหนีหรือมองว่าเหลือบา ก, กว่าแรงแต่อย่างใดในเมื่อพระนามหนึ่งแห่งองค์ศาสดาคือเป็นผู้ทาของยากให้เป็นของง่ายหรือผู้เปิดของความให้ไงขึ้นบัดนี้ฉันประจักษ์แล้วว่าพระองค์ท่านเป็นเช่นนั้นจริงๆคือปฏิบัติได้ผลมาตามลาดับแล้วไม่เห็นว่าขันห้า เป็นเรื่องยากต่อการทำความเข้าใจอีกต่อไปทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นสิ่งที่ทำให้ฉันสับสนในเบื้องต้นก็ได้แก่สั์คือขันนั่นเองทีแรกฉันนึกว่าขันคืออะไรอย่างหนึ่งแต่ความจริงขันแปลว่ากองอาจง่ายขึ้นถ้าคิดถึงคำว่ากองทัพซึ่งมีทั้งกองทัพ บ, บกกองทัพอากาศและกองทัพเรือถ้าสมมติให้กองทัพหนึ่งเท่ากับหนึ่งขัน ก็ต้องเรียกเหล่าทัพทหารทั้งหมดว่าขันสาเบื้องต้นของการฝึกสติปฐานสี่นั้นสติยังอ่อนก็ควรเข้าไปดูอะไรห ย, ยาบๆเช่นลมหายใจและอิรยบทดูเพื่อให้เห็นความเกิดดับอย่างง่ายๆก่อนเช่นเข้าแล้วต้องออกเดินแล้วต้องนั่งสติเห็นเกิดดับแบบคร่าวๆก็ปล่อยวางแบบคร่าวๆ ค, คราวนี้เมื่อสติแข็งแรงขึ้น ก็ถึงเหมาะที่จะนำมาดูอะไรละเอียดละเอียดเช่นขัน5เพื่อให้เห็นความเกิดดับในระดับที่เหมาะสมกับสติหากเบือนหน้าหนีไม่พยายามทำความเข้าใจตั้งแต่เห็นคาว่าขัน5ก็แปลว่าเราไม่มีฐานสติไว้เป็นที่ตั้งสติระดับสูงเพราะฉะนั้นฉันจึงไม่หลีกเลี่ยงกับการเข้าไปทำความเข้าใจทฤษฎีอย่างดีอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพียงไว้สาหรับใส่บาแบกหามเล่น แต่รู้เพื่อ น, นำมาเป็นเครื่องกำหนดสติเอามักเอาผลกันจริงจังต่อไปคันแยกเป็นห้ากองได้แก่หนึ่งกองรูปได้แก่เหล่ารูปประทมทั้งหลายอันเป็นส่วนของกายนับแต่ผมขนเล็บฟันหนังที่เห็นได้ส่วนผิวตลอดไปจนกระทั่งส่วนที่ถูกปกปิดห่อหุ้มไว้ด้วยหนังทั้งหมดเช่นกระดูกเส้นเอน็นตับไตไส้พุง โดยย่นย่อคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมหากสติมีคุณภาพพอจะรู้กายโดยความเป็นกองทับรูปก็จะประจักษ์แจ้งว่าที่ประชุมกันหลอกตาให้หลงนึกว่าเป็นร่างมนุษย์แท้ที่จริงหาได้มีความเป็นรูปมนุษย์ก้อนเดียวอันเดียวแต่อย่างใดการที่ฉันฝึกสติจนเห็นลมหายใจชัดก็คือเห็นภาวะพัดไหวของธาตุลมหรือเมื่อฝึกสติเห็นความร้อนขณะเป็นไข้ ก็คือเห็นภาวะระอุของธาตุไฟเมื่อเห็นธาตุลมและธาตุไฟโดยความเป็นของแปรปรวนได้เกิดแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาก็จัดเป็นการเห็นสองหน่วยของกองทับรูปแล้วและเมื่อฉันศึกษาภาคทฤษฎีละเอียดขึ้นก็เห็นว่าแม้แต่การรู้อิริยาบทก็จัดเป็นการเห็นรูปเช่นกันแต่เป็นรูปชั่วคราวที่ก่อขึ้นจากธาตุอื่นๆอันนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งที่ต้องดูกันต่อไปว่า ถ้าสามารถเห็นท่าต่างๆละเอียดขึ้นจะมีผลอย่างไร 2. กองเวทนาได้แก่ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยอย่างเช่นความสุขสดชื่นเมื่อหายใจเข้าความผ่อนคลายสบายอกเมื่อหายใจออกหรืออย่างเช่นเมื่อเริ่มเป็นสุขกับอิริยบทนั่งนิ่งๆเหล่านี้เป็นสุขเวทนาที่ปรากฏแจ่มชัดและต่อเนื่องเมื่อมีความแปรปรวนย่อมเห็นง่ายเช่น ถ้าเปลี่ยนเป็นทุกขเวทนาทางกายเพราะป่วยไข้หรือแปลเป็นทุกขเวทนาทางใจเพราะคิดมากหากได้ภาวะต่างอย่างชัดเจนไว้เปรียบเทียบ mm. ก็จะตระหนักว่าคนทั่วไปนั้นแท้จริงแล้วทุกนู่นทุกนี่อยู่ตลอดเวลาเพียงแต่มองไม่เห็นว่ากำลังเป็นทุกข์เท่านั้นสกองสัญญาคือความจำได้รวมทั้งอาการที่สาคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไร สำหรับตัวอย่างความจําก็เช่นที่เราจําเสียงใครต่อใครได้เมื่อยินเสียงทางโทรศัพท์ส่วนตัวอย่างของอาการสําคัญมั่นหมายไปต่างต่างก็เช่นกายเป็นของสะอาดน่าชื่นชมต้องฝึกมองกันใหม่ตามวิธีที่พระพุทธเจ้าประทานไว้จึงค่อยเห็นตามจริงว่ากายเป็นของสกปรกน่ารังเกียจ 4. กองสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งใจให้ดีหรือชั่วถ้าสืบหาว่าอะไรเป็นต้นเหตุสาคัญ ที่ทำให้คนเราคิดพูดทำทั้งดีงามและชั่วร้ายก็ขอให้ทราบว่าเป็นสังขารนี้แหละถ้ามองกันตื้นๆในทางปฏิบัติสังขารขันอาจเป็นสิ่งที่ปรากฏให้รู้ง่ายก็ได้แต่ถ้าศึกษาอย่างละเอียดจะพบว่าสังขารขันคือธรรมชาติที่รู้ให้ทั่วถึงยากและหากเล่นกันทางทฤษฎีก็อาจบัญญัติศับไ้เราะขึ้นมาได้มากมายไม่มีที่สิ้นสุด หลงติดอยู่ในป่ารกแห่งสับแสงกันทั้งชาติได้เลยทีเดียว 5. กองวิญญาณคือลักษณะที่จิตรู้แจ้งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งขอให้เข้าใจว่าในที่นี้หมายเอาความรู้ชัดอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างอายตนะทั้งหกเช่นถ้าเกิดวิญญาณทางตาขึ้นก็หมายถึงมีการเห็นรูปร่างสีสันอะไรอย่างหนึ่งแจ่มชัดไม่ใช่เพียงเห็นแบบมลังเลืองทางหางตาโดยไม่ตรหนักว่าเห็นอะไรกันแน่ หมายความว่าถ้าใครมีประสาทบกพร่องก็จะทำให้ขาดหรือด้อยความรู้แจ้งในทางนั้นๆด้วยตรงนี้จะทำให้เข้าใจว่าไม่ใช่มีวิญญาณประเภทหนึ่งๆลอยอยู่ด้วยตัวเองกับทั้งคงทำให้เข้าใจอย่างดีว่าวิญญาณขันไม่ใช่ความรู้แจ้งเห็นจริงอันเกิดจากปัญญาทางโลกหรือทางธรรมแต่ประการใดเป็นเพียงธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มีอยู่แล้วในสัตว์ทั้งหลายเท่านั้นเอง แต่ละกองขันนั้นหากเรามีสติเห็นพวกมันตามที่เป็นอยู่จริงก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นหนึ่งขันปรากฏตามเหตุปัจจัยแล้วก็ดับลงไม่มีใครทุกข์ไม่มีใครเดือดร้อนไม่มีใครแฝงอยู่ตรงไหนของขันเช่นเมื่อเกิดความเจ็บใจก็เห็นแต่เวทนาสัญญาสังขารมันเจ็บใจพอเวทนาสัญญาสังขารดับไปตามธรรมชาติก็เป็นอันจบไม่มีสัตว์บุคคล ตัวตนเราเขาใครไหนเป็นผู้เจ็บใจต่อธรรมดามีแค่ขันห้าอันไร้แก่นสารปรากฏเกิดขึ้นแล้วดับลงอยู่เท่านี้แต่เพราะไม่เฝ้ามองไกลใจให้เห็นเป็นขันห้าคือไม่เจริญสติปัฏฐานอยู่ได้ความเห็นที่ถูกต้องก็เกิดอุปาทานขึ้นมาว่ารูปขันเป็นเราเวทนาขันเป็นเราสัญญาขันเป็นเราสังขารขันเป็นเราวิญญาณขันเป็นเรา สรุปแล้วพระพุทธองค์จึงทรงชี้ว่าที่ตั้งของอุปาทานก็คือขันทั้งหลายนี่เองขันใดประกอบด้วยอุปาทานขันนั้นคืออุปาทานขันอย่างเช่นขณะ น, นี้ไม่ว่าต้องอาศัยสิ่งใดในการลงมือเขียนไม่ว่าต้องอาศัยสิ่งใดในการเพ่งอ่านไม่ว่าต้องอาศัยสิ่งใดเพื่อให้เกิดอาการขมวดคิ้วไม่ว่าต้องอาศัยสิ่งใดเพื่อให้เกิดอาการคลายสีหน้าทั้งหมดเหล่านั้น ไม่ว่าเป็นส่วนของกายหรือส่วนของใจล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของอุปาทานความเป็นปัจจุบันทั้งหมดของกายใจนั่นแหละที่ตั้งของอุปาทานแม้แต่อดีตและอนาคตของกายใจทั้งหมดก็เป็นที่ตั้งของอุปาทานได้เช่นกันขอเพียงคำนึงนึกถึงแล้วเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นคำว่าอุปาทานหมายถึงอาการที่เรานึกเอาเอง หรือทึกทักเอาว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่จริงไม่ใช่ตัวอย่างอันดีคือความฝันเมื่อเราฝันว่าเป็นอะไรอย่างหนึ่งจิตก็หลงยึดไปว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆต่อเมื่อสำนึกคิดอ่านปกติกลับมาลืมตาตื่นขึ้นจึงค่อยตระหนักว่าเรื่องราวในฝันนั้นเลวไหลเราไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นไม่ได้เป็นเราแม้ฝันว่าเป็นเราเมื่อลืมตาตื่นก็ต้องตระหนักว่าเราไม่ได้ทาอย่างนั้น เราไม่ได้ไปในที่นั้นเราไม่ได้เจอใครคนนั้นฝันเป็นเพียงภาวะปรุงแต่งอันแสนพิสดารของจิตจบฝันเมื่อไหร่อาการทึกทักเลวไหลทั้งปวงก็จบตามหลักการเจริญสติรู้ขันหหลักการพิจารณาขันมีง่ายๆคือเห็นว่าอย่างนี้ขันเกิดขึ้นอย่างนี้ขันดับไปเมื่อดูเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนในที่สุดก็ปลุกให้เกิดอาการตื่นจากฝันได้ ทราบหลักการแล้วคราวนี้ถึงคำถามสำคัญคือหนึ่งพร้อมจะดูหรือยังสองควรจะดูคันไหนก่อนหากตีโจทย์สองข้อแรกนี้แตกฉันก็เชื่อว่าจะดำเนินสะดวกเพราะฉะนั้นต่อไปนี้สิ่งที่ฉันจะทำไว้ในใจคือดูความพร้อมกับดูคันที่เหมาะวันที่หนึ่งถึงสาม สมาธิเพื่อสติสัมปชัญญะแม้ระยะนี้สมาธิเสื่อมลงฉันยังไม่ตัดสินว่าตัวเองแพ้เพราะถึงแม้จิตจะหม่นลงไม่ผ่องใสไม่สงบนิ่งไม่รู้ความเกิดดับแต่อย่างน้อยฉันก็ยังมีความพยายามจะรู้ลมหายใจเข้าออกและอิริยาบทต่างๆเท่าที่กําลังสติอํานวยได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังชื่อว่าพยายาม ฉันยังวกวนครุ่นคิดถึงคนรักใจไม่เป็นสุขเลยนึกถึงทีไรเหมือนสัมผัสอยู่ตลอดเวลาว่าเธอกำลังร้องไห้ด้วยความน้อยใจบ่อยครั้งที่คิดจะโทรหาแต่ก็เหมือนมีตัวห้ามจากภายในมายับยั้งไว้ทุกหนคือคิดซ้อนขึ้นมาว่าอุตส่าห์ตัดได้แล้วจะใจอ่อนอีกหรือจะเปิดประตูบาปให้เธออีกหรือจะเอาเครื่องขวางการภาวนากลับมาอีกหรือ วันนี้บังเกิดความเห็นชัดว่าการภาวนาให้ตลอดรอดฝังถึงมรรคผลนั้นต้องอาศัยกำลังใจต้องอาศัยความเด็ดเดี่ยวอย่างมากทีเดียวการภาวนาเพื่อมรรคเพื่อผลอย่างแท้จริงไม่ได้เริ่มต้นด้วยการตั้งสติรู้กายใจโดยความเป็นของเกิดดับแต่ต้องเริ่มต้นด้วยเจตนาละเว้นสิ่งที่ควรละเว้นให้ได้ซะก่อนถ้าแค่ตัดของนอกกายยังตัดไม่ขาดแล้วจะเอาพละกำลังที่ไหนมาตัดอุปาทานภายในได้ไหว เมื่อตกลงปลงใจแน่วแน่ว่าจะไม่ติดต่อกับเธออีกการออกเดินทางใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นเช่นวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนว่าจะทำอย่างไรเพื่อฟื้นสติกลับมาให้เร็วที่สุดก็ได้ข้อสรุปกับตนเองคือก่อนอื่นต้องเอาราวเกาะของสติกลับคืนมาให้ได้เป็นอันดับแรกถ้าหลุดมือจากราวไปก็ต้องรู้ตัวและเพียรพยายามกลับมาเกาะใหม่ไม่ต่างกับเมื่อเริ่มต้นนับหนึ่งในเดือนแรก ฉันรู้ตัวว่าถ้าพยายามนั่งหลับตาทำสมาธิหรือเดินจงกรมจะไม่สำเร็จเพราะเหมือนมีเวลาว่างคิดถึงคนรักมากขึ้นจนใจยิ่งขมวดแน่นจึงเบนเข็มมารู้ลมหายใจเข้าออกให้ได้ขณะลืมตาในชีวิตประจําวันแทนแค่มันถามตัวเองเสมอๆว่ากำลังหายใจออกหรือหายใจเข้านึกได้แต่ละทีก็ตั้งต้นด้วยการถอนใจทีเพื่อให้เกิดลมออกชัดเจนก่อนลมเข้า เมื่อลมออกมีความยาวและความแรงใกล้เคียงกับลมเข้าสติก็จะหยัดตั้งได้เร็วขึ้นฉันเห็นความต่างระหว่างนับหนึ่งแบบมือใหม่จริงๆกับนับหนึ่งใหม่แบบคนมีประสบการณ์แล้วแม้ว่าคุณภาพจิตจะแย่พอกันสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวฟุ้งซ่านเป็นปกติแต่คนมีประสบการณ์ที่นับหนึ่งใหม่จะไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกสิ่งที่เคยผิดมาแล้วก็ไม่ทาซ้า สิ่งที่เคยถูกมาแล้วก็ยิ่งทำให้มากขึ้นเหมือนคนเคยเดินผ่านเส้นทางสู่จุดหมายเดิมถึงแม้กระปลกกระเปี้ยเพียงใดก็ต้องจำหลุมบ่อจำขวากน้ำตลอดจนทางลัดได้อยู่ย่อมไปถึงจุดหมายเร็วขึ้นเป็นธรรมดาฉันเริ่มแม่นมากขึ้นว่าก้าวที่1นั้นเน้นที่รู้ว่าหายใจออกหรือหายใจเข้าจะไม่ไปหลงงมอยู่กับการคานึงว่าต้องรู้รายละเอียดหรือคากากับเพิ่มเติม อาการไหนที่บอกว่ากำลังหายใจออกหรือเข้าก็รู้อาการนั้นไม่พยายามทำอะไรมากขึ้นหรือน้อยลงไปกว่าการรู้เท่าที่สามารถรู้ได้ประสบการณ์สอนให้ฉันสังเกตจุดพิเศษจุดหนึ่งด้วยนั่นคือจังหวะที่ลมสั้นสติจะแผ่วอ่อนหรือหายวับไปฉันก็ตั้งความสังเกตสังกาว่าเมื่อใดที่ลมเริ่มอ่อน เพียรสังเกตจนกระทั่งเท่าทันทั้งลมสั้นลมยาวด้วยคุณภาพสติใกล้เคียงกันตรงนั้นจึงบอกตัวเองว่าจิตเริ่มมีสภาพผู้รู้กองลมทั้งปวงคือหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้หายใจยาวก็รู้ชัดว่าหายใจยาวหายใจสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจสั้นไม่ใช่เอาแต่รู้ลมหายใจเข้าไม่ใช่เอาแต่รู้ลมหายใจยาวซึ่งเป็นธรรมดาตามถนัดของคนทั่วไป แต่มโนภาพของคนรักฉันก็แวบผ่านมาเสมอไม่ว่าขณะทำงานหรือขณะมีสติรู้ลมหายใจเพิ่งเห็นชัดว่าคนรักเป็นสิ่งตรึงใจแน่นหนานขนาดนี้เห็นกระบวนการทำงานของจิตที่ย้อนคิดย้อนห่วงย้อนสงสารเธอขึ้นมายกตัวอย่างเช่นพอคิดถึงมากๆแล้วดึงสติกลับมาตั้งที่ฐานคือลมหายใจบรรเทาความคิดถึงลงได้หน่อยหนึ่งก็คิดซ้อนขึ้นมาอีกว่า นี่ขนาดฉันมีเครื่องอยู่ของสติยังผ่านเวลาแต่ละชั่วโมงไปด้วยความยากลำบากแล้วเธอที่เป็นคนธรรมดามีสติวิคิดเรื่องงานอย่างเดียวไม่เคยฝึกรู้กายใจโดยความเป็นของเกิดดับอย่างฉันเล่าจะลำบากกว่ากันขนาดไหนวันแรกผ่านไปแบบครึ่งๆ ร, รู้ลมหายใจก็รู้แต่ก็วนเวียนกังวลเรียกว่าสติแบบฝืนๆไม่เป็นธรรมชาติสบายเหมือนช่วงกาลังรุ่งรุ่ง ฉันให้กำลังใจตัวเองโดยคิดซะว่าเราก็แน่เหมือนกันนะเดือนแรกไม่มีเรื่องรบกวนจิตใจยังใช้เวลาเจ็ดวันกว่าจะรู้ลมหายใจเข้าออกได้เป็นปกติแต่เดือนนี้มีเรื่องคนรักคอยรบกวนตลอดเวลายังกลับมารู้ลมหายใจได้ในวันเดียวตกกลางคืนสังเกตตัวเองอีกครั้งพบว่าเริ่มเท่าทันลมเข้าออกเป็นปกติไม่หายใจด้วยอาการรีบร้อน ไม่หายใจด้วยความกระวนกระวายและไม่หายใจด้วยความเพ่งเครียดแต่หายใจด้วยความใจเย็นหายใจด้วยความสงบและหายใจด้วยความสบายวันต่อมาฉันตื่นนอนแล้วคิดถึงคนรักเป็นอันดับแรกแล้วก็ระลึกถึงลมหายใจได้เป็นอันดับต่อมารู้สึกถึงความว่างวายไม่มีอะไรในใจไม่มีใครอื่นอยู่ในห้องเริ่มเห็นอะไรอย่างหนึ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เป็นการเห็นด้วยความประจักษ์ลึกซึ้งอย่างแท้จริงนั่นคือสิ่งที่รบกวนจิตใจฉันอยู่เกือบตลอดเวลาไม่ใช่คนรักของฉันแต่เป็นจิตที่ดิ้นรนของฉันเองไม่มีเธออยู่ที่นี่ไม่มีหน้าเธอเข้าตาไม่มีเสียงเธอกรอกหูมีแต่กลไกการทำงานของจิตฉันเท่านั้นถ้ามีเธออยู่ในหัวแล้วใจทยานไปยึดมั่นถือมั่นนั่นก็คือการยึดคลื่นความคิดของตัวเองอย่างไร้แก่นสารแท้ ความจริงน่าจะเป็นมุมมองที่เหมือนใครๆก็รู้กันอยู่แล้วพูดกันทั่วๆไปอยู่แล้วเช่นเราทำตัวเองคิดมากไปเองแต่สำรวจดีๆเถอะปกติเวลาเราฟุ้งซ่านถึงใครเราจะรู้สึกว่าเขามารบกวนเราเราจะมีปฏิกิริยาทางใจกับเขาเป็นชอบเป็นชังยิ่งๆขึ้นทุกครั้งที่เขาไมา่อยู่ในหัวของเราทั้งที่ตัวจริงของเขาไม่ได้มาอยู่ตรงนั้นเลย ประสบการณ์นี้มีอิทธิพลใหญ่หลวงกับการภาวนาของฉันเพราะฉันเริ่มเห็นขึ้นมารางๆว่าโลกทั้งโลกมีความหมายกับเราเพียงใดขึ้นอยู่กับกลไกของการทำงานในจิตเท่านั้นบุคคลภายนอกที่เข้ามากระทบเราเพียงแต่ทิ้งร่องรอยหรือสัญญาณบางอย่างไว้เมื่อสัญญาณดังกล่าวดังขึ้นรบกวนจิตก็จะเกิดความจดจาได้ และทําให้มีอาการคํานึงนึกถึงบุคคลภายนอกขึ้นมาเป็นชอบหรือเป็นชังทันทีหากเป็นชอบก็จะมีสุขเวทนาทางใจหากเป็นชังก็จะมีทุกขเวทนาทางใจคล้ายกับโลกแห่งความจริงที่กําลังปรากฏอยู่เดี๋ยวนี้โครงเครงไปใกลๆจะพลิกคว่ามขม ำ, ำงายหรือมีสภาพพื้นซึ่งอาศัยยืนอยู่หายไปหากไม่มีใครอยู่ตรงหน้าเราสักคน เราก็เป็นแค่สภาวะทางธรรมชาติคือเป็นโครงกระดูกฉาบเนื้อที่เคลื่อนไหวได้เป็นจิตที่อาจเสวยสุขทุกข์จากกระทบนอกในเป็นจิตที่อาจทรงจําหลายสิ่งที่ผ่านมาแล้วเป็นจิตที่อาจตรึกนึกและเจตนาดีร้ายเป็นจิตที่รับรู้โลกภายนอกผ่านเครื่องต่อคือตาหูจมูกลิ้นและกายในภาวะโดดเดี่ยวที่ไม่มีใครอยู่ด้วยตัวฉันที่แท้ไม่มีชื่อ ไม่มีสภาพความเป็นบุคคลสิ่งที่เปิดเผยตามจริงแก่จิตคือส่วนของรูปรธรรมที่เคลื่อนไหวได้กับส่วนของนามรธรรมที่แปรปรวนได้ที่ตื่นขึ้นมาทุกเช้าแล้วเข้าใจว่านี่คือฉันล้วนเป็นเพียงอุปาทานไปเองทั้งนั้นช่างเป็นการเห็นความจริงที่แปลกประหลาดดีแท้สภาวะเหล่านั้นเป็นอย่างที่พวกมันเป็นอยู่มาช้านานอย่างเปิดเผยแต่กลับปรากฏเป็นของปิดบังมิดเม้นไปได้อย่างเหลือเชื่อ ภาวะที่จิตว่างว่าๆจากความรู้สึกในตัวตนนั้นดำรงอยู่ไม่นานนักเมื่ออาบน้ำแปลงฟันและขับรถไปทำงานทุกอย่างก็กลับคืนสู่สภาพปกติมีความรู้สึกเป็นชั้นผู้ครอบครองกายครอบครองรถยนต์ครอบครองชื่อเสียงเรียงนามตามเดิมฉันพยายามเจาะผ่านม่านอุปทานเข้าไปให้เกิดความเห็นแบบตอนตื่นอีกลองแม้แต่นึกถึงภาวะความรู้สึกแบบนั้นแต่ก็ไม่สำเร็จราวกับเมื่อเช้ามืด โดนวางยาบางประเภทให้เห็นโลกผิดเพี้ยนไปขณะนี้กลับสู่ภาวะปกติแล้วฉันหัวเราะอยู่กับตัวเองคนเดียวในรถความจริงคือภาวะนี้ต่างหากที่กำลังเห็นโลกผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงหน้าตรนกนักที่ม่านอุปาทา น, นานหนาหนักเสียจนทุกอย่างดูเป็นจริงเป็นจังนี่กายฉันนี่รถฉันนี่ความรู้สึกนึกคิดของฉันหาพิรุษไม่ได้เลยไม่น่าสงสัยเลย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ต้องเพียรพยายามนึกให้มีชั้นมันก็มีอยู่ในใจตลอดเวลาแตกต่างจากการเห็นให้ได้ตามจริงว่านี่ไม่ใช่ชั้นนี่ไม่ใช่รถชั้นนี่ไม่ใช่ความรู้สึกนึกคิดของชั้นกว่าจะเห็นว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนก็ต้องตั้งสติกันนานฝึกอบรมจิตกันพักหนึ่งฉันยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาเพราะฉะนั้นจึงง่ายที่จะคิดแบบปุถุชนคิด และพบว่าเมื่ออาศัยความนึกคิดแบบปุถุชนย่อมพาไปสู่ความสงสัยว่าอย่างนี้เราคืออะไรกันประสบการณ์ครั้งแรกๆที่คาบเกี่ยวกันอยู่ระหว่างความคิดเชื่อว่ามีตัวตนกับความประจักษ์ชัดว่า ต, วตัวตนไม่มีนั้นเป็นอะไรที่น่าตระนกยิ่งหากมีพื้นฐานจิตใจพร้อมคิดสละออกคือทานบารมีดีพอประกอบกับมีใจสะอาดคือศีลบารมีดีพอ รวมทั้งมีดวงจิตมั่นคงไม่หวั่นไหวง่ายคือสมาธิบา ร, รมีดีพอก็จะกลับวางเฉยเสยได้ในเวลาอันรวดเร็วตรงข้ามกับผู้ไม่เคยคิดสละออกมีใจสกรปรกคิดคดรวมทั้งฟุ้งซ่านเห็นอะไรๆบิดเบี้ยวจากความเป็นจริงก็จะว้าวุ่นจนกลายเป็นบ้าเอาพระพุทธเจ้าให้ทำจิตผ่องใสเป็นสมาธิให้รักษาศีลสะอาดบริสุทธิ์ก่อนเจริญสติปัฏฐานให้หมั่นทาทานคิดสละออก ล้วนแล้วแต่มีความหมายมีความเป็นพื้นฐานเพื่อรอรับยอดได้อย่างเหมาะสมท่านไม่เคยแนะนำขาดตกบกพร่องอันจะเป็นเหตุให้สาวกต้องลำบากภายหลังเกิดธรรมปิติสะเทือนแรงจนน้ำตาเอ่อคลอเป็นจังหวะรถติดไฟแดงพอดีฉันซาบซึ้งในพระมหากรุณาแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนต้องยกมือไหว้ท่วมศรีรษะในบัดนั้นช่วงเช้าทางานด้วยจิตใสใจเบา รู้สึกชืดชากับโลกภายนอกแต่ชื่นชมกับโลกภายในเข้าอกเข้าใจเป็นอย่างยิ่งว่าทํางานตามหน้าที่เป็นอย่างไรแต่พอทานเข้าเที่ยงเริ่มหนักท้องเข้าหน่อยพายุความฟุ้งก็เริ่มก่อตัวกลายเป็นคนธรรมดาเดินดินสิ้นท่ากับเรื่องแฟนอีกรอบจิตใจหนักอึ้งอยากโทรหาเธอจนทรมานในอกปวดแสบปวดร้อนไปหมดเห็นภาวะปุถุชนชัดแล้วอนาจใจ เต็มไปด้วยความกลับกลอกหาอะไรคงที่ไม่ได้เช้าเป็นอย่างหนึ่งบ่ายเป็นอีกอย่างหนึ่งแม้แต่ความคิดตัวเองยังไม่อาจบังคับให้เป็นอย่างใจแล้วจะหวังให้ความคิดใครเป็นอย่างเราต้องการไม่ยอมกัดลิ้นฝืนใจไม่โทรไปหาเธอก็ด้วยตรักะความจริงข้อนั้นฉันควบคุมให้ความคิดเธอเป็นไปตามที่ฉันหรือแม้แต่เธอเองต้องการไม่ได้จิตเธอยังไม่มีความเลื่อมใสพระรัตนตรยัย ขณะที่ฉันยอมแม้กระทั่งอุทิศชีวิตได้แค่ศรัทธาก็ไม่เสมอกันอย่างนี้คบไปจะเดือดเนื้อร้อนใจเธอเปล่าๆ เ, เป็นเหตุให้เกิดบาปเกิดกรรมที่ไม่อาจมีใครพยากรณ์หากฉันรักเธอปรารถนาดีกับเธอก็ต้องตัดไฟเสแต่ต้นลมคิดว่าการโทรหาเธอเปรียบเหมือนยื่นยาพิษให้เธอดีๆนี่เองรู้สึกว่าตัวเองเข้มแข็งที่สุดในชีวิตเมื่อตัดใจได้อีกครั้ง ยกจิตเข้าสู่ภาวะสู้เต็มพิกัดเมื่อความคิดเป็นเหตุเป็นผลทำงานแล้วคราวนี้สติสัมปชัญญะก็รับช่วงทำงานต่อบ้างฉันเอาสิ่งที่รบกวนจิตใจยอยู่ตลอดเวลานั่นเองเป็นเครื่องมือภาวนาสิ่งไหนเกิดบ่อยสิ่งนั้นเป็นโอกาสเจริญสติได้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากหน้ายึดมั่นถือมั่นมากหากเจริญสติปฐานจนเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งนั้นแล้ว ก็อาจกลายเป็นตัวส่งให้เกิดพัฒนาการชนิดก้าวกระโดดได้อย่างที่ฉันเกิดประสบการณ์ประจักษ์ไปเมื่อเช้าว่าแท้จริงคนรักของฉันไม่ได้รบกวนจิตใจฉันเลยแต่ความทุกข์ความจำและความตรึกนึกของฉันเองต่างหากที่วนเวียนย่ำยีจิตใจไม่เลิกราสัทีฉันจึงนึกถึงสมาธิซึ่งพระพุทธเจ้านิยามว่าเป็นประเภทก่อให้เกิดสติสัมปชัญญะนั่นคือ 1. รู้แจ้งเป็นขณะขณะว่าเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป 2. รู้แจ้งเป็นขณะขณะว่าสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป 3. รู้แจ้งเป็นขณะขณะว่าความตรึกนึกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามการจำแนกของพระพุทธองค์การทำสมาธิประเภทนี้ต่างจากสมาธิเพื่อเสพสุขฌาน ต่างจากสมาธิเพื่ อ, อยานทศนะอธิษฐานกลางคืนเป็นกลางวันและการทำสมาธิประเภทนี้ก็ไม่จำเป็นต้องหลับตาไม่จำเป็นต้องอยู่ในขณะแห่งการเดินจงกรมแต่กำหนดสติเข้าไปตรงๆว่าเวทนาขณะนี้เป็นทุกข์หรือสุขสัญญาขณะนี้คือความจำเกี่ยวกับใครและขณะนี้เรากําลังอยู่ในภาวะตรึกนึกหรือไม่ขณะที่เริ่มตัดสินใจจะทาสมาธิ เพื่อให้เกิดสติสัมปชัญญะนั่นเองสิ่งที่ยอมรับเป็นประการแรกคือความชัดเด่นของทุกขเวทนาเกี่ยวกับคนรักฉันไม่ลุกไปไหนยังนั่งปกักหลักละเลียดน้ำเปล่าในแก้วอยู่ที่โต๊ะอาหารสายตาทอดออกไปนอกหน้าต่างแต่สติก็ทำงานคือเห็นช่วงอกแปรบเสียวบางครั้งก็ขมวดแน่นเป็นก้อนอย่างที่เขาเรียกกันว่าจุกอกบางครั้งก็คลายอาการเสียด แต่เหมือนยังมีอะไรเสียบคาอยู่ฉันตั้งสติกำหนดตามดูแล้วเห็นแต่ความแปรปรวนของทุกขเวทนาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาไม่เห็นอาการดับสัทีจนต้องขมวดคิ้วคิดว่าเปลี่ยนวิธีดูจะดีหรือไม่ขณะนั้นเองสติส่วนหนึ่งก็บอกว่าขณะนี้กำลังตรึกนึกเห็นอาการตรึกนึกตั้งอยู่อาการตรึกนึกทาให้มีแรงเค้นขึ้นหน่อยๆในหัว คลายกล้ามเนื้อบางส่วนถูกบีบให้แน่นขึ้นเล็กน้อยพอฉันรู้ลักษณะบีบนั้นเข้าก็เกิดอาการคลายลงตรงที่คลายลงนั่นเองคือการเห็นอาการตรึกนึกดับไปเมื่อเห็นความตรึกนึกดับไปนั้นสิ่งที่ติดตามมาคือความเบาโล่งหัวอกสติบอกทันทีว่าขณะนี้กาลังเป็นสุขเห็นสุขเวทนาเกิดขึ้นแต่ความเบาโล่งหัวอกนั้นตั้งอยู่ไม่นานก็เลือนไป สติเสียสูนเพราะคลื่นความฟุ้งซ่านเข้าแทรกแซงกลายเป็นความเหม่อไปพอรู้ตัวว่าเหม่อก็อึดอัดเพราะไม่รู้จะเรียกสติกลับมาดูอะไรตรงไหนดี mm. ก็นึกถึงราวกะถามตัวเองว่ากำลังหายใจออกหรือหายใจเข้า mm. เห็นว่ากำลังหายใจอ่อน mm. ก็รู้ว่าหายใจอ่อนฉันรู้สึกสับสนนิดหนึ่ง mm. นั่งเอามือเท้าคางคิดอีกว่าขณะนี้ mm. กาลังสติอ่อนอยู่ การนำมารู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจตรงๆจะเหมาะแน่หรือไม่แต่พอคิดอยู่อึดใจหนึ่งสติก็บอกว่านี่กําลังอยู่ในอาการตรึกนึกอีกแล้วด้วยสติธรรมดาปานกลางอาการตรึกนึกถูกรู้ได้ก็เมื่อกําลังตั้งอยู่แล้วเสมอจนแล้วจนรอดก็ยังตามไม่ทันขณะแห่งความเกิดขึ้นอันเนื่องจากเคยผ่านประสบการณ์มีจิตสงบนิ่งเป็นสมาธิดีๆมาก่อน ฉันจึงพยักหน้าว่าการจะเพียนเพื่อมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันความเกิดขึ้นของอาการตรึกนึกกันจริงๆนั้นต้องมีดวงจิตที่สงบพอควรซะก่อนเพื่อให้เกิดความแตกต่างชัดเจนขณะความคิดตรึกนึกก่อตัวขึ้นจากสภาพสงบราบคาบแต่อย่างน้อยฉันก็เห็นความแตกต่างชัดเจนระหว่างความฟุ้งซ่านกับอาการตรึกนึกถ้าฟุ้งซ่านจิตจะกระโดดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้สเปะสปะ แต่ถ้าเป็นตรึกนึกจิตจะจดจ่อกับเรื่องเดียวแล้วยังแยกออกไปได้อีกคือจดจ่อแบบแช่อย่างไร้จุดหมายไปเรื่อยๆโดยปราศจากที่สิ้นสุดชัดเจนกับจดจ่อแบบคิดรอบด้านเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อเอาคำตอบสุดท้ายแล้วหยุดตรึกนึกด้วยความสังเกตความแตกต่างระหว่างตรึกนึกแบบแช่กับตรึกนึกอย่างเป็นระเบียบทาให้ฉันเกิดความรู้ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่ง คือการตรึกนึกอย่างเป็นระเบียบไม่ว่าเรื่องทางโลกหรือทางธรรมจะก่อให้เกิดความสงบขึ้นมาระดับหนึ่งเมื่อสงบลงบ้างพอตรึกนึกอะไรใหม่ก็จะเริ่มเห็นวินาทีของการเริ่มตรึกนึกใหม่นั้นซึ่งนั่นก็คือการเห็นความเกิดขึ้นของอาการตรึกนึกและเพราะเข้าใจความต่างระหว่างอาการตรึกนึกกับความฟุ้งซ่านฉันก็สังเกตเข้าไปเห็นช่องทางเอาประโยชน์จากความฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ คือแทนที่จะพยายามห้ามไม่ให้ฟุ้งซ่านหรือหาอะไรมาเบียดเบียนความฟุ้งซ่านฉันก็กําหนดเข้าไปตรงๆว่าขณะนั้นกําลังฟุ้งซ่านเกี่ยวกับอะไรเพื่อดูความปรากฏของสัญญาอย่างตอนนี้ถ้าปล่อยจิตให้ฟุ้งตามสบายเรื่องที่วกวนก็ไม่พ้นคนรักนั่นเองลักษณะฟุ้งของคนเรามีสองแบบหลักๆคือฟุ้งแบบแช่กับฟุ้งแบบเครียด สำหรับฉันขณะนี้เป็นฟุ้งแบบแช่แช่เฉยเนื่อยพอรู้ตัวว่าฟุ้งปุ๊บแทนที่จะปล่อยลอยตามเคยก็ดูอาการจิตจำคนรักได้เมื่อเห็นอาการที่จิตจำคนรักได้ความจำนั้นก็ดับลงทันทีกลายเป็นอาการกำหนดสติค้างค้างคาคาปราศจากเป้าหมายฉันก็เอาสติกลับไปรู้ลมหายใจต่อว่ากำลังออกหรือเข้าพอรู้ลมหายใจสบายสบายพักหนึ่ง เมื่อลมหายใจเริ่มอ่อนกลายเป็นหายใจสั้นเข้าอาการฟุ้งซ่านก็กลับมาอีกความจําเกี่ยวกับคนรักก็กลับมาอีกและคราวนี้ได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นคือก่อนเกิดความจําได้หมายรู้เกี่ยวกับคนรักมีคลื่นอะไรอย่างหนึ่งผุดขึ้นในจิตคล้ายอยู่ๆก็มีการก่อตัวของฟองอากาศในขวดที่บรรจุน้ําเต็มสําคัญคือถ้าไม่มีความตรึกนึกมารับช่วงต่อ ระลอกความจำนั้นจะหายไปเฉยๆเหมือนคลื่นกระทบฝั่งสิ่งที่จะทำให้คลื่นความจำหายไปโดยไม่มีความตรึกนึกมารับช่วงต่อก็คือสติสติที่รู้ขณะแห่งความเกิดขึ้นอยู่ดับไปของสัญญานั่นเองกระทำจิตให้อยู่ในสภาวะรู้ไม่ใช่สภาวะคิดรู้สัญญาหนึ่งดับก็กลับคืนสู่ความสงบและมีสัญญาระลอกใหม่ปรากฏให้เห็นอีก ปกติจิตของคนธรรมดาทั่วไปนั้นเปรียบเหมือนผืนทะเลใหญ่ที่มีระลอกคลื่นทยอยตัวกระทบฝั่งไม่หยุดยั้งคลื่นที่กระทบจิตทำให้เกิดสัญญาคือจำได้หมายรู้ว่าคลื่นนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรหากอยู่ในภาวะฟุ้งซ่านไร้สติคนธรรมดาจะรับเอาสัญญานั้นมาปรุงแต่งต่อลักษณะตรึกนึกเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆจะรักษาความรู้สึกจาไดเอาไว ส่วนที่ว่าสัญญาจะแจ่มชัดหรือมาลังมาเลืองครึ่งครึ่งกลางกลางก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของจิตคุณภาพของอาการตรึกนึกว่าดีเพียงใดในคนธรรมดาสัญญายิ่งชัดความรู้สึกเกี่ยวกับอัตราตัวตนก็จะพลอยชัดตามไปด้วยแต่ถ้าพลิกกันด้วยสติของผู้เจริญภาวนาสัญญายิ่งปรากฏชัดเท่าไหร่ความดับไปของสัญญาก็ยิ่งปรากฏชัดเท่านั้นตามไปด้วย และเมื่อมีความเพียรเห็นความดับของสัญญาชัดเจนหลายครั้งเข้าสติที่รู้เห็นนามธรรมก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้นทุกทีตรงที่เกิดความเห็นชัดว่าเมื่อใดสัญญาเกิดเมื่อใดสัญญาตั้งอยู่และเมื่อใดสัญญาดับฉันเกิดความสนุกขึ้นมาเหมือนคนกำลังเล่นกีฬามือขึ้นที่สายตาและประสาสัมผัสว่องไวจับรู้เท่าทันวัตถุในเกมกีฬาได้โดยไม่ต้องตั้งใจมาก กืบทั้งนึกถึงสูตรอุปมาขันห้าของพระพุทธองค์ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาคือเมื่อเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนอยังอยู่พยับแดดย่อมเต้นระยิบระยับในเวลาเที่ยงผู้มีดวงตาทั้งหลายพึงเห็นเพ่งพิจารณาพยับแดดนั้นโดยแยบคายเมื่อเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายพยับแดดนั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่า สาระในพยับแดดมีอยู่เพียงใดสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีสาระอยู่เพียงนั้นสัญญาเหมือนพยับแดดจริงๆเมื่อสติมีกำลังมากขึ้นก็ยิ่งปรากฏชัดแล้วหายไปชัดๆสัญญาจะต่างกับพยับแดดตรงไหนถ้าหากแค่เหมือนมีแต่แท้จริงไม่ได้มีและตรงความรู้เห็นเกิดดับโดยไม่ต้องฝืนบังคับตั้งใจนั่นเอง ความหนาแน่นของอาการตรึกนึกก็ลดลงฉันลองปล่อยให้ใจตรึกนึกถึงเรื่องราวต่างๆตามสบายปรากฏว่าพอสติเท่าทันว่าอาการตรึกนึกเกิดขึ้นอาการตรึกนึกก็ลดน้ำหนักหวบ้าบลงทันทีอย่างนี้เองพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติว่าอาการที่กําหนดเวทนาสัญญาและความตรึกนึกโดยความเป็นของเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจัดเป็นสมาธิประเภทหนึ่ง เพราะจะเห็นสภาพหยาบๆในเบื้องแรกแล้วค่อยๆเห็นประณีตขึ้นกระทั่งจิตสงบลงเป็นสมาธิได้ที่จุดของความสงบนั้นอาการตรึกนึกที่สมน้ำสมเนื้อพอดีระดับกับสมาธิจิตก็คือความตรึกนึกถึงลมหายใจเข้าออกนี่คือการค้นพบของฉันเราเริ่มเจริญสติจากสภาวะอันเป็นนมามธรรมก่อนก็ได้เพราะเมื่อเกิดสติสัมปชัญญะดีแล้วตัวสติเอง จะเข้ารู้ทุกอย่างที่กำลังปรากฏเด่นไม่ว่าจะเป็นรูปหรือนามทุกอย่างที่เข้ามากระทบจิตจะปรากฏชัดเป็นขณนะขณะไปหมดเบื้องแรกจะเป็นความรู้สึกสนุกและติดใจมากที่สามารถรู้เห็นไปทุกอย่างโดยไม่จำเป็นต้องปิดตานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมในการนั่งสมาธิครั้งต่ อ, ตอมาหากฉันมีความเครียดหรือคลื่นพายุ ฟ, ฟุ้งยุง่งฉันจะไม่ใช้อุบายอื่นใด นอกจากปล่อยให้ระลอกหนักเบาของความเครียดและคลื่นความคิดฟุ้งปรากฏตัวตามสบายฉันมีหน้าที่เพียงนั่งเฝ้ามองทุกๆอาการทั้งที่หนักมากและหนักน้อยผ่านมาแล้วผ่านไปแค่แน่ใจว่าเห็นสภาพหนักแปลเป็นเบาเบาแปลเป็นหนักเกิดขึ้นแล้วดับลงหากไม่เข้าไปก้าวกายไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจได้พักหนึ่งจิตก็จะทรงสติว่องวัย มีความเห็นแจ่มชัดและสงบตัวลงเองตามธรรมชาติสามารถนำมาทำสมาธิมาตรฐานเช่นอนาปานาสติต่อได้อย่างดีวันที่สของเดือนฉันก็กลับมาเป็นคนมีสติคมชัดเหมือนเดิมด้วยความภาคเพียรไม่ลดละมีกำลังใจอย่างเอกอุขึ้นอีกครั้งเมื่อตระหนักว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทำตามพระพุทธเจ้าสอนแล้วไม่เคยพลาดจากผลดีสักที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 สักแต่เป็นความกระทบของรูปศักแต่เป็นภาษะปรุงแต่งใจเป็นเพียงขันห้าไม่ใช่ตัวเราในเมื่อนี่ไม่ใช่ตัวเราแล้วจะภาวนาเอาดีเอามักผลไปเพื่ออะไรสู้กลับไปหาแฟนช่วยกันสร้างบ้านสร้างเรือนกับเธอไม่ดีกว่าหรือวูบต่อมาก็เกิดคำถามที่หนักกว่านั้นนั่นคือถ้านี้ไม่ใช่ตัวตนเป็นแค่ขันห้า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 พระพุทธเจ้าทรงทราบวรจิตของภิกษุรูปนั้นด้วยพระหฤทยัยจึงรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายกว้างๆโดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าดูกรภิกษุทั้งหลายข้อที่โมคะบุรุษบางคนในธรรมวินัยนี้มีความไม่รู้ตกอยู่ในอวิชชาใจมีความทยานอยากเป็นหลักเขาสำคัญคำสั่งสอนของเราด้วยความสะเพร่าแล้วคิดว่าจเริญหลักเท่าที่เราว่ามานี้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 บรรลุมรคผลกันมานักต่อนักพระศาสดาพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเหล่าภิกษุไม่เที่ยงพระเจ้าค่าพระศาสดาก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเหล่าภิกษุเป็นทุกข์พระเจ้าค่าพระศาสดาก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะเล็งเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราเหล่าภิกษุไม่ควรเลยพระเจ้าค่าพระศาสดาพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงเหล่าภิกษุไม่เที่ยงพระเจ้าค่าพระศาสดาก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือสุขเล่า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 รูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันเป็นไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประนีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราสำหรับเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ตรัสโดยเนื้อความเดียวกันนี้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 กิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิดนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีและขณะพระผู้มีพระภาคกําลังตรัสไวยากรณ์พาษิดนี้อยู่ภิกษุประมาณ60รูปได้มีจิตหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องหมักดองในขันธสันดานเพราะหมดความยึดมั่นถือมั่นอ่านแต่ละคํา แต่ละประโยคแล้วใจตั้งมั่นเป็นสมาธิเกิดปิติเบิกบานด้วยความเชื่อมั่นว่าได้ฟังคำตอบจากพระพุทธเจ้าจริงๆแม่พระองค์จะไม่ตอบคำถามเป็นเชิงตรงแต่จิตที่น้อมรับทาอันแจ่มแจ้งก็รู้ชัดว่าอะไรเป็นอะไรหากเข้าใจจริงๆแล้วว่าไม่มีอะไรเป็นตัวตนแม้แต่อย่างเดียวก็จะไม่มีผู้คิดว่ากรรมทาแล้วย่อมไม่มาโดนตัวเรา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 เพื่อนั่งสมาธิอีกมีพิเศษกว่าเคยคือตั้งใจว่าคราวนี้จะไปค้างคืนแล้วกลับกรุงเทพในเย็นวันอาทิตย์แทนที่จะไปนั่งเดียวๆแล้วกลับเลยอย่างที่ผ่านๆมาวันที่ห้าปฏิบัติแบบไหนในเวลาใดจึงเรียกว่ารู้อุปาทานขันเกิดดับออกจากที่ทำงานใกล้เที่ยง ฉันรู้สึกโปร่งเบาเหมือนออกปลีกวิเวกเมื่อเดือนก่อนอีกครั้งแม้จะเป็นเวลาสั้นกว่ากันมากแต่ก็เป็นความรู้สึกว่างจากภาระว่างจากความผูกพันกับใครๆพรักพร้อมจะภาวนาเต็มที่เหมือนเหมือนกันระหว่างขับรถฉันครุ่นคิดเกี่ยวกับสมาธิสประเภทไปด้วยประเภทแรกเพื่อเสพสุขในฌานประเภทที่สองเพื่อยาณทัศนะโดยอธิษฐานกลางคืนเสมอกลางวัน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 ฉันผ่านประสบการณ์สมาธิสประเภทแรกมาด้วยความมั่นใจว่าใช่ส่วนสมาธิประเภทที่สเวลานี้ยังไม่แน่ใจนักว่าในทางปฏิบัติเข้าใจหรือเข้าถึงลึกซึ้งเพียงใดหากดูเพลินแล้วสมาธิประเภทที่สมนั้นใกล้เคียงกับสมาธิประเภทที่สี่มากต่างกันอย่างสำคัญคือในสมาธิประเภทที่สมนั้นมีการดูความตรึกนึกอยู่ด้วย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 กำหนดสติรู้ว่าลมกำลังออกหรือเข้านับได้สิบลมก็เลิกนับเหลือแต่สติกำหนดอยู่เห็นลมหายใจแสดงอนิจจังอย่างชัดเจนเข้ามาแล้วสุดลมก็ต้องออกไปเป็นธรรมดาคืนกลับไปรวมกับอากาศสัทธาภายนอกร่างเพียงประคองความรู้อยู่เช่นนั้นกระทั่งความคิดนึกสงบตัวลงมีปิติมีความสงบกายสงบใจและตั้งมั่นเป็นสมาธิอย่างอ่อ น, ออน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 ลมหายใจคือเราเช่นนี้ย่อมได้ชื่อว่าเล็งอยู่ว่าลมหายใจเป็นอัตตาต่อเมื่อกําหนดรู้ว่าลมหายใจเข้าแล้วต้องออกเป็นธรรมดาเมื่อน้นอุปาทานจึงหายไปเหลือแต่จิตที่เป็นอิสระจากอุปาทานตั้งมั่นอยู่เมื่อความเบิกบานทวีตัวขึ้นตามความนิ่งประณีตของจิตลมหายใจก็เมื่อลดความสาคัญลงมีแต่ภาวะสุขโดดเด่นอยู่ ฉันก็พิจารณาสุขเวทนานั้นเพิ่งเห็นชัดเดี๋ยวนี้เองว่าเมื่อสติเข้าไปรู้เวทนาในวาระแรกจะเกิดความรู้สึกว่าสุขนั้นเป็นของเราทันทียิ่งแนบเข้ารู้ชัดเท่าไหร่ก็ยิ่งกลายเป็นความรู้สึกว่าเราคือสุขสุขคือเรามากขึ้นเรื่อยเรื่อยฉันได้คำตอบกับตนเองอย่างแจ่มชัดทันทีว่าจะพิจารณาขันหยอย่างไรขันไหนกาลังปรากฏเด่นก่อน ก็ให้ดูขันนั้นก่อนขันไหนกำลังทำให้เรารู้สึกว่าเป็นเราก็ให้ตามรู้ขันนั้นไปเรื่อยจนกว่าจะเห็นความแปรปรวนของมันเองเมื่อเห็นความแปรปรวนแล้วก็พิจารณาตามจริงว่าสิ่งนี้เกิดแล้วย่อมถึงวาระดับลงเป็นธรรมดาไม่น่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราการพิจารณาขันต้องทําไปเรื่อย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 ซึ่งจะว่าไปก็เป็นของเคยๆยอยู่แล้วตั้งแต่สองเดือนแรกฉันนั่งดูด้วยความเพลิดเพลินกระทั่งเห็นว่าชะเกิดความยินดีในสุขอันเกิดจากการนิ่งก็ลุกขึ้นเดินจงกรมกาหนดทางเดินเป็นเส้นตรงบนพื้นดินบริเวณนั้นเองเมื่อรู้เท้ากระทบแปะแปะแปะไปเรื่อยกระทั่งจิตตั้งมั่นไม่วอกแวกไปทางอื่นฉันก็พิจารณาว่าอย่างนี้จะรู้ขันได้อย่างไร ก็ได้คำตอบจากความรู้เดิมคืออิริยาบถเดินทั้งหมดนั่นแหละคือรูปขันเพราะอิริยาบถเป็นรูปชั่วคราวที่เกิดจากการรวมตัวของธาตุดินน้ำไฟลมหากเห็นอิริยาบถชัดโดยไม่มีความรู้สึกในตัวตนนั่นก็ได้ชื่อว่าเห็นรูปขันแล้วนั่นเองรูปขันที่อยู่ในอิริยาบถเดินมีความไม่เที่ยงพอถึงสุดทางก็ปรากฏลักษณะเป็นรูปขันที่อยู่ในอิริยาบทยืน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 สติที่หลุดจากอิริยบทแวบหนึ่งทำให้ย้อนกลับมาเห็นว่าธรรมดาคนเราจะรู้สึกถึงอิริยบทยืนโดยความเป็นที่ตั้งของอัตตาสำคัญว่าเราถูกเรียกไม่ใช่อิริยบทยืนถูกเรียกแต่หากมีอิริยบทเป็นฐานสติอยู่ก็จะเกิดการปรุงแต่งไปอีกอย่างคือกายนี้เป็นเป้าหมายให้คนอื่นเรียกโดยไม่มีความสาคัญมั่นหมายว่ากายนี้ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าเขา ใจจะไม่มีอาการจอยหรือคับพองด้วยการเปรียบเทียบฐานะหากเราหันมองใครด้วยอัตตาความรู้สึกในอิริยบทจะแปรไปต่างๆถ้าอัตตาเราใหญ่กว่าเขาอาวัยวะน้อยใหญ่ในกายเราเหมือนปรากฏชัดหลายส่วนแต่หากอัตตาเราเล็กกว่าเขาอาวัยวะทั้งหลายก็หายหนนไปไหนไม่ทราบแต่หากไม่มีอัตตาเปรียบเทียบเราเขามีเพียงสติรู้อิริยบทยืนตามจริง ทั้งเราทั้งเขาก็แค่รูปรขันมีสัดส่วนสูงใหญ่กว่ากันเท่าที่ปรากฏตามจริงไม่ใหญ่ไม่เล็กไปกว่านั้นมีความเป็นรูปรขันที่ต้องเปลี่ยนอิริยาบทไปเรื่อยๆเสมอกันอย่างนั้นฉันยกมือพนมไหวท่านด้วยความอ่อนน้อมและเป็นฝ่ายเดินเข้าไปหาแต่จิตลอบคิดหน่อยๆว่าฉันอายุมากกว่าและความเจริญก้าวหน้าในสติปัฏฐานก็อาจมากกว่าพระเสียอีก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 และหยุดพยายามนึกถึงเรื่องที่ลืมในทันทีเพราะเกิดประสบการณ์น่าพอใจกว่าการนึกออกเสะอีกขณะนั้นเป็นเวลาใกล้พลบหลวงพี่นำฉันมาถึงกุฏิเครื่องไม้เครื่องปูนหลังหนึ่งเมื่อเข้าไปก็พบภิกษุวัยใกล้ชารานั่งยิ้มเด่นเป็นประธานขนาบข้างอยู่ด้วยพระหนุ่มและเนรน้อยที่คอยปริบัติรับใช้ฉันเยือกเย็นไปถึงจิตในทันทีที่ศบสายตากับท่าน รู้สึกว่าบรรยากาศรอบด้านร่มรื่นราวกับมาถึงสวนสวรรค์หลังจากพนมมือกราบเบญจางคประดิษฐ์ท่านก็ถามไทยว่าชื่อเสียงเรียงนามใดมาจากไหนเป็นการปฏิสันถานฉันตอบท่านด้วยความนอบน้อมครบทุกข้อแต่ขณะเดียวกันก็ยิ่งงงงันขึ้นทุกทีไม่แน่ใจว่าหลวงพี่ไปตามตัวผิดคนหรือเปล่าหรือว่านี่อาจเป็นธรรมเนียมแขกไปใครมาควรเข้ามากราบนมการเจ้าอาวาส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 แล้วในที่สุดก็ตัดสินใจกราบถามว่าเมื่อครู่ท่านเห็นฉันเดินจงกรมอยู่หรือจึงให้พระไปตามฉันมาท่านตอบว่าท่านก็นั่งอยู่ในห้องนี้กับพระเนนนี่แหละแต่รู้สึกว่าจุดที่ฉันเดินจงกรมอยู่มีปัญญาสว่างไสวเกิดขึ้นก็เกิดความสนใจและใช้ให้พระลูกศิษย์ไปตามเพราะอยากเห็นหน้าสีหน้าฉันยังเป็นปกติแต่รอบกลืนน้ำลายอึกหนึ่งวันนี้มาเจอของจริงเข้าแล้ว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 ถ้าอยู่คนเดียวบางทีก็ไม่มีเครื่องชี้ว่าเรามีมานะมากน้อยแค่ไหนและเมื่อไรเกิดมานะมาณะก็จะเบียดสติให้ตกหายไปด้วยความใหญ่โตของมันฉันสะอึกอึง้งใจสะดุ้งไหวอยู่ข้างในนึกละอายจนทำหน้าแทบไม่ถูกฉันย่อหลังลงหมอบกราบสิโรราบจิตใจเบาโล่งอย่างประหลาดจุดอับอันเป็นอีกฐานที่มั่นหนึ่งของกิเลสถูกเปิดเผย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 มีการแปลขบวนเป็นต่างๆได้หลากหลายแม้แต่กรรมก็เป็นส่วนหนึ่งของสังสารขันธ์ดังนั้นสังสารขันธ์คือสิ่งที่ทำให้เราๆท่านๆทั้งหลายมีความแบ่งแยกแตกต่างหากเปิดคัมภีร์ดูจะพบว่าสังขารขันธ์จำแนกออกได้มากร่วมครึ่งร้อยโดยหลักจะแบ่งตามภาวะที่เป็นกุศลหรืออกุศลเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเบื้องต้นจึงไม่นิยมท่องให้ครบแล้วสังเกตให้ทั่ว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 แรกๆที่สังเกตเห็นปฏิกิริยาทางใจเป็นชอบเป็นชังดับไปจิตจะย้อนกลับไปหาฐานสติคือลมหายใจหรืออิริยาบถตามความเคยชินอย่างเช่นเมื่อมีความกระทบกระทั่งในที่ทำงานโดนว่าว่างานของฉันผิดพลาดหรือใช้ไม่ได้ใจฉันจะชังเสียงตินั้นทันทีรู้สึกได้ถึงแรงทยานเล่นออกไปประทะเป้าหมายแห่งความชังวูบวาบ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 ก็ทำให้ฉันเกิดคำถามได้สารพันเช่นอ ย, อยู่ก็คิดขึ้นมาว่าธรรมชาติอื่นที่ทำให้หลงยึดมั่นถือมั่นเป็นที่ตั้งของอุปาทานซ่อนแฝงอยู่ในภพอื่นไม่เป็นที่รู้จักเหมือนขันห้า ย, ยังมีอยู่ไหมนี่ค่อนข้างจะออกไปทางแนวจินตนาการลี้ลับจำพวกนิยายวิทยาศาสตร์หน่อยแต่ฉันก็นึกอยากรู้และคาตอบของผู้ที่อยางรู้ทั่วจั ก, กรวาลที่เชื่อได้ก็มีอยู่คนเดียวคือพระพุทธเจ้า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 อย่างไหนคือสัญญาอย่างไหนคือสังขารอย่างไหนคือวิญญาณพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นเหตุปัจจัยแห่งการบอกว่าอย่างนี้คือรูปขันธ์ภาษะเป็นเหตุปัจจัยแห่งการบอกว่าอย่างนี้คือเวทนาขันธ์ภาษะเป็นเหตุปัจจัยแห่งการบอกว่าอย่างนี้คือสัญญาขันธ์ภาษะเป็นเหตุปัจจัยแห่งการบอกว่า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 อันนี้ถือเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งบางสูตรนั้นเราอ่านเฉพาะจุดที่สนใจแต่ที่เหลืออาจข้ามๆไปก่อนแล้วมาพบในภายหลังว่ามีคำตอบที่ทำให้ข้อสงสัยเพิ่มเติมหายไปด้วยวันที่ 18-25 ถึงาทำไมถึงยังติดข้องในขันช่วงนี้ปฏิบัติก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆจิตเงียบนิ่งตื่นรู้เห็นความเกิดดับทั้งหยาบและละเอียด มีบางช่วงงานเยอะมากต้องครุ่นคิดหนักหน่วงและใช้เวลา ย, ยืดยาวแต่พอเสร็จงานแล้วกำหนดอาการตรึกนึกเห็นความตรึกนึกเกิดดับสองสารอบก็เบาลงกลับมามีความสุขแบบพักอยู่กับลมหายใจและอิริยาบถได้อย่างสบายแต่พอท้ายๆของช่วงนี้เมื่อใกล้วันสิ้นเดือนเข้ามาฉันก็เกิดความสงสัยขึ้นมาอีกว่าเอเห็นขันเกิดดับก็แล้วมานะก็น้อยลงแล้ว ทำไมตัดอุปาทานในขันไม่สำเร็จสัทีเนอเลยได้ย้อนกลับไปอ่านปุณณะสูตรอีกรอบเพราะคุณว่ามีคำถามและคำตอบชนิดนี้อยู่ซึ่งฉันก็ได้คำตอบชนิดเปิดโลกจากพระพุทธเจ้าดังคาดคือเมื่อภิกษุทูลถามว่าอุปาทานขันห้าเหล่านี้มีอะไรเป็นมูลพระพุทธองค์ตรัสตอบว่ามียินดีเต็มใจเป็นมูลภิกษุรูปเดิมทูลถามต่อว่า อุปาทานกับอุปาทานขั น, anse, นห้าเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่หรือว่าอุปาทานนั้นเป็นอื่นจากอุปาทานขันห้ากันแน่พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าอุปาทานกับอุปาทานขันห้าจะอย่างเดียวกันก็ไม่ใช่จะเป็นอื่นจากกันก็ไม่เชิงความกำหนัดพอใจในอุปาทานขันห้านั่นแหละเป็นตัวอุปาทานในอุปาทานขันห้านั้นภิกษุรูปเดิมทูลถามต่อว่า ความเห็นว่าขันเป็นตัวของตนมีขึ้นได้อย่างไรพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับสัทธธรรมเป็นผู้ไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้ฝึกตนในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตตบุรุษไม่ได้ฝึกในธรรมของสัตตบุรุษย่อมเล็งเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ โดยความเป็นอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาว่ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบ้างเล็งเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณในอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบ้างด้วยการเล็งเห็นอย่างนี้แหละความเห็นว่าขันเป็นตัวของตนจึงมีได้ภิกสุรูปเดิมทูลถามต่อว่า ความเห็นว่าขันเป็นตัวของตนจะหายไปได้อย่างไรพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ได้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริยะฝึกดีแล้วในธรรมของพระอริยะได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษฝึกดีแล้วในธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่เล็งเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ โดยความเป็นอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาว่ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบ้างไม่เล็งเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบ้างอย่างนี้แหละความเห็นว่าขันเป็นตัวของตนจะหายไปได้ฉันอ่านแล้วก็ได้ข้อสรุป คือถ้าเล็งเห็นความเกิดดับในขันห้าไม่ใช่อัตตาไม่นายึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างนี้ในที่สุดความเห็นว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนก็จะหายไปเองแต่ไม่ใช่ทวงถามว่าเมื่อไรเพราะการทวงถามนั่นเองจะย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของอุปาทานคือจะยินดีเอามักผลให้ตัวฉันขณะที่เราเต็มใจให้ความคิดเกิดขึ้นขณะนั้นก็มีอาหารเลี้ยงอุปาทานอีกมื้อหนึ่งแล้ว คราวต่อไปเมื่อมีเอะขึ้นมานิดเดียวสงสัยว่าทาไมไม่ได้มักผลสทัทีฉันก็ดูเข้าไปในขณะจิตนั้นทีเดียวว่าความยินดีเต็มใจที่จะมีสังขารขันนั้นนั้นบังเกิดขึ้นแล้วเมื่อเห็นละเอียดว่าเป็นแรงทยานบางๆที่มีใยเหนียวแน่นจิตก็ละวางเสได้ตามธรรมชาติและเห็นมันดับไปไม่ต่างกับลมแ้งอย่างหนึ่งเท่านั้น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 ว่าขอความไม่เดือดร้อนจงเกิดขึ้นแก่เราเถิดดูกรภิกษุทั้งหลายข้อที่ความไม่เดือดร้อนเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลนี้ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่มีความเดือดร้อนไม่ต้องทําด้วยเจตนาว่าขอความปราโมทจงเกิดขึ้นแก่เราเถิดดูกรภิกษุทั้งหลายข้อความที่ปราโมทเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มไม่มีความเดือดร้อนนี้ ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาดูกรภิกษุท um ั้งหลายบุคคลผู้มีความปราโมทไม่ต้องทำด้วยเจตนาว่าขอปิต nice> ิจงเกิดขึ้นแก่เราเถิดดูกรภิกษุทั้งหลายข้อที่ปิติเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีความปราโมทนี้ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีใจประกอบด้วยปิติไม่ต้องทำด้วยเจตนาว่าขอกายของเราจงสงบเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลายข้อที่กายของบุคคลผู้มีใจประกอบด้วยปีติสงบนี้ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีกายสงบแล้วไม่ต้องทำด้วยเจตนาว่าขอเราจงเสวยสุขเถิดดูกรภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีกายสงบแล้วเสวยสุขนี้ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาดูกรภิกษ <Yeah, okay. S 1> ุทั้งหลายบุคคลผู้มีสุข ไม่ต้องทำด้วยเจตนาว่าขอจิตของเราจงตั้งมั่นเถิดดูกรภิกษุทั้งหลายข้อที่จิตของบุคคลผู้มีสุขตั้งมั่นนี้ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นไม่ต้องทำด้วยเจตนาว่าขอเราจงรู้จงเห็นตามเป็นจริงเถิดดูกรภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วรู้เห็นตามเป็นจริงนี้ ยอมเป็นเรื่องธรรมดาดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้รู้เห็นตามเป็นจริงไม่ต้องทำด้วยเจตนาว่าขอเราจงเบื่อหน่ายเถิดดูกรภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้รู้เห็นตามเป็นจริงเบื่อหน่ายนี้ยอมเป็นเรื่องธรรมดาดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เบื่อหน่ายไม่ต้องทำด้วยเจตนาว่าขอเราจงคลายกำหนัดเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดนี้ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีจิตคลายกำหนัดแล้วไม่ต้องทำด้วยเจตนาว่าขอเราจงทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติยานัทสนะเถิดดูกรภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลคลายกำหนัดแล้วทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติยาณนัทสนะนี้ย่อมเป็นเรื่องธรรมดา